ลาธนาแล้วใช่ไหมเอาอะไรมาเทศคนเก่าๆคนเดิมๆ เ, เอาอะไรมาเทศฮะคนเก่าๆคนเดิมๆจะเอาอะไรมาเทศนะต้องอดต้องทนฟังหน่อยนะ ต้องทนฟังหน่อยฟังเทศไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วยมันไม่อยู่กับคำเทศก็ให้มันอยู่กับคำภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสามสิบนาทีสี่สิบนาทีเท่าไรก็ตามแต่ได้ประโยชน์ ถ้าเผื่อมันไม่อยู่กับพุทธโธทําไมเสียงขาดขาดดังดัง ข, ดขดาดขาดนะนะ <c oughs> ถ้าไม่อยู่กับพุทธโธมันก็อยู่กับคําเทศถ้าขยับจากคําเทศก็มาอยู่กับพุทธโธมันเป็นการระวังสองสองสองแรงสองกำลัง ถ้าเราจะตั้งใจเอาบุญจริงๆเราก็ต้องตั้งใจฟังไม่อยู่กับพุโทโธ ก, อก็อยู่กับคำเทศไม่อยู่กับคำเทศก็อยู่กับคำว่าพุโทโธแ้ตั้งหกตั้งใจฟัง <c oughs> ปิดใครมีมือถือปิดให้หมดเ <c oughs> สียงรบกวนหมูเ่ยคนที่ตั้งใจฟัง และตั้งใจฟังได้ประโยชน์ก็มีมีอยู่มีเยอะ <c oughs> เอาล่ะทีนี้จะไหวครูแหละตอนนี้นะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบุตถะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบุตถะนะโมตัะะตตสสะ พควะโตอรหะโตส ม, มาสัมบทธาสังปชจจาระปุจจ尼ยังเอตัมมังคลามุตตะมันติ <c oughs> ตั้งใจฟังและก็ลัภาวนาไปด้วยโดยเหตุที่เราตั้งใจฟังอย่างเดียวก็ได้ประโยชน์ได้อานิสงส์ เพราะการฟังธรรมการแสดงธรรมธรรมเทศนาใหม่การฟังธรรมธรรมมัทสวนใหม่เป็นอุลมะมงคลเอตัมมังคารมตตมังยิ่งเราตั้งใจประกอบบุญในครั้งนี้เราไม่ลืมที่จะระลึกถึงนะท้าชันะนี่มันก็เป็นการบูชา บุคคลที่ควรบูชาเอตธรรมังครมุตธรมังท่านเป็นต้นตอตรงนี้มาก่อนอาจารย์นาซึ่งท่านกำังนับผ้าไปหลายปีแล้ว <c oughs> สมัยเรามันอยู่ท่ามเต่าใหม่ๆก็ได้ทายาจาย์านานี่แหละพาไปนู้นพาไปนี่ไปรู้จักคนนู้นไปรู้จักคนนี้แล้วไปขอเจ้าวาดก็จัรย์นะเป็นเป็นคนไปขอให้เจ้า <c oughs> ของไปไหนไม่เป็น ท่านอยู่ตรงนี้มา ก, ก่อนท่านคล่องแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์มา ก, ก่อนถือว่าเป็นการพูดธรรมะเพื่อบูชาคุณของท่านกแล้วกันวันนี้พวกเราทั้งหลายรวมทั้งครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ปรารบกรถินประจำปีกรถินวัดนี้เป็นกรถิ่นสามารถขี่มาทุกปีทุกปีถือว่าเป็นการรวมพลังรวมกำลังได้ดี เพื่อเป็นการมีจตุปัจจัยมาบูรณะปรับปรุงเสนาสนะให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ทั้งผูกทั้งพังทั้งซ่อมทั้งสร้างทาเต่าของเราเหมือนกันอยู่มาหมดยุคหนึ่งแล้วลังคารั่วมหมดปีที่แล้วน่เปลี่ยนไปยี่สิกว่าลำ ตอนนี้กําลังจะบูรณะโรงครัวเพราะมันจะร่วงใส่หัวน่ะปลวกขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นกินหมดทั้งหลัง<ม>เห็นไหมมันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันหมดไปมันร่วงโรยไป<ม>ตอนนี้กําลังจะบูรณะกําลังปรับปรุงอยู่22ปีแค่22ปีหลังคาร่วเกือบพร้อมๆกันเลย เพราะอะไรเพราะเอามาให้ไปมุงไม้เนี่ยมันแพ้แพ้ใบไม้แพ้ร่มแพ้ร่มแพ้เงาฝนหน้าฝนมางกเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญแล้กทลุเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญแล้วก็ทลุนี่เราพูดถึงเสน า, นาสนะที่อยู่ที่อาศัยเสน า, นาสนะที่อยู่ที่อาศัยรวมทั้งผู้อาศัยคืออัตภาพร่างกายของเราของท่าน ไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมสักอย่างแม้สักสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่อยู่รอบข้างตัวเราจะให้มีสิ่งใดอยู่คงที่สักอันดึงอันเดียวไม่มีท่านทั้งหลายเห็นอะไรอยู่คงที่ไม่มีเลยเ ร, เราเราลึกได้อย่างนี้ทําให้เราไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําเป็นภาพพื้นของเราก็คือมีการให้ทานมีการตั้งใจรักษาศีล และมีการตั้งใจปฏิบัติธรรมสมถธรรมวิปัสนาธรรมอันนี้คือเราเระลึกได้แล้วเราอยู่อยากไม่ประมาทอยู่อยากไม่นิ่งนอนใจทําบุญให้ทานทุกวันเราก็ทำตอนเช้าขึ้นมาเราก็ใส่บาตรกรุบาจาระเนรตามมาที่วัดมีหอมมีหมกมีกับมีแก่ มาทำบุญให้ทานทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเป็นอาชินนกรรมเป็นอาชินวันจากนั้นแล้วพวกเราขยันมารักษาศีลพูดถึงเรื่องศีลที่เรารู้เราก็จะได้หมดศีลหศีลแต่ละวัดแเทรวัดในวันสาเนี่านจะพาสมาทานศีลแปทุกคนก็ไปได้ยินได้ฟังได้ศึกษาศีลาบทแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อละแต่ละข้อการทําทานนั้น เป็นการทำทานของนอกกายแต่ถ้าเป็นทานอุปบารมีทานปรมามัตถารมีเป็นทานที่มีความสำคัญสำหรับผู้สร้างบรมีเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะนะต้องมีความจำเป็นทานบุปบารมีทานประมัตถารมีให้อวัยวะเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานแต่พวกเราแค่ทานพื้นพื้ น, นธรรมดาก็ใช้ได้ พวกเราปรารถนาเป็นสาวกแต่ถ้าใครตั้งใจจะปรารถนาเป็นพุท ธ, ธะก็ต้องทําให้ยิ่งเข้าไปทานก็ทานยิ่งทานบารมีทานอุปปบารมีให้อวัยวะเป็นทานทานปรัมมัทธบารมีให้ชีวิตเป็นทานสมัยพุทธเจ้าท่านเป็นกระต่ายสัสดบัณฑิตสัสดบัณฑิตเห็นในพรานก่อไฟเอาไว้กระต่ายก็วิ่งเข้ากองไฟ เห็นฤาษีก่อไฟเอาไว้ก็ะตายโหนดเข้ากออกไฟตายเองเพื่อฤาษีจะได้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายสมัยทุกวันนี้เราก็ได้ยินอยู่นะให้อวัยวะเป็นทานได้ยินว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีไตาวายทั้งสองข้างภรรยาเสียสละไตข้างหนึ่งให้ ไตข้างหนึ่งอยู่กับตัวเองไตข้างหนึ่งฝากเอาไปฝากไว้กับสามีสามีมีชีวิตอยู่ได้อันนี้คือทานอุปบารมีให้อวัยวะเป็นทานหน้าให้อยู่นะอะ่คู่บารมีกันสามีภรรยาที่เป็นคู่เป็นคู่บารมีกันแต่ถ้าไม่ตั้งใจจะคิดว่าเป็นคู่บารมีกันแล้วตัวไข่ตัววันตัวใครตัวเรา เราจะได้หาใหม่แต่การเป็นสามีเป็นภรรยากันนั้นเราควรจะคิดยังไงมันเราถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นชื่นใจเราควรจะคิดว่าเป็นคู่บารมีพอเราคิดว่าเป็นคู่บารมีเท่านั้นแหละมันมีกรอบมัดจิตใจของเราเลยนะโอเราเพึ่งท่านท่านพึ่งเราเราเป็นคู่บารมีแก่กันและกันเนี่ย การทั้งแก่รักษาศินสินห้าสินปเรามีศินห้าเรามีสามีหนึ่งเดียวมีภรรยาหนึ่งเดียวเราไม่ผิดศินห้าแต่ทําไมศินแปท่านไม่ให้เกี่ยวข้องเลยแม้แต่ส า, ามีภรรยาสามีคู่เดียวกันท่านก็ไม่ให้เกี่ยวข้องกันนี่หมายความว่าท่านมีอวิธีที่จะตัดเรามีายวิธีที่จะตัดเรา ศินห้าเราถือว่าเราเกี่ยวข้องกันได้เหมือนไฟในเตาการบริโภคกามนั้นท่านถือว่าเป็นไฟราคะคิดไน่ไฟคือราคะโทสะขีมีอะไรมาขัดข้องเกิดข้าแก่งแก่งกันขึ้นมาโทสะขีดโมหะขีดไปจากโมหะคือความรุ่มลงเพราะฉะนั้นสามีภริยาเกี่ยวข้องกันได้ด้วยเหตุที่เราถือศินห้า แล้วก็ยึดถือว่าเป็นคู่บารมีอยู่ด้วยกันเรามีความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันอย่างนี้เราอยู่ด้วยกันได้ตลอดรอดฝั่งแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วคิดจะอยู่ด้วยกันเพื่อสลองความอยากมันไม่ยั่งยืนดอกเพราะมันเป็นการคิดหลวมตัวให้กับกิเลสตันหานหัวใจสักหน่อยหนึ่งมันก็พาออกออกออกนอกนะสักสักสักฟักงหนึ่งมันก็พาออกนอกแล้ว ถึงแม้ว่าเรามีความเกี่ยวข้องกันเป็นการเป็นคราวท่านบอกว่าเหมือนกับเราใช้ไฟในเตาไฟมันอยู่ในเตาไฟไม่อยู่นอกเตาครูบาอาจารย์ท่านใช้คําเปรียบเชื่อว่าไฟไม่อยู่นอกเตาไฟในเตานั้นเราใช้หงุงใช้เนือ่อใช้ปิ้งใช้ย่างใช้ต้มใช้แกงใช้อะไรต่ออะไรได้ไฟในเตาแต่ถ้าเราเอาไฟออกนอกเตาทีไรเมื่อไรไม่ ไม่บานไม่เรือนไม่ชอ่องไม่หัวใจวอดวายวายพวงไปหมดหมายความว่าสามีนอกใจภรรยาภรรยานอกใจสามีนี่สันถแตว่าสินห้าท่านให้ถือถึงขนาดนี้และการนอกใจกันนั้นมีโทษมากมันเหมือนกับไฟไหมลุกลามไม่ไปหมดเลยทีเดียวแหละทาไม ถึงมีความสําคัญถึงขนาดนั้นสามีภรรยาท่านถือว่าเป็นสมบัติแกี่กันเลยกันท่านถือว่าสามีเป็นสมบัติของภรรยาภรรยาเป็นสมบัติของสามีถ้าสามีไปไปมีชู้ไปนอกใจเมียถือว่าขโมยสมบัติของภรรยาไปบำรุงบําเริงคนอื่นมีบาปบาปหนักบาปมากกรรมมากภรรยา นอกใจสามีหมายความว่าภรรยาขโมยสมบัติของสามีไปบำรุงบําเรอคนอื่นเรามาคิดถึงอย่างนี้แล้วโอ้มันได้ทั้งความน่าละอายได้ทั้งความอับอายได้ทั้งเห็นความชั่วเห็นความหยาบอะไรต่ออะไรสารพัดถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเราไม่สามารถจะทําลงไปได้เพราะฉะนั้นเวลาล่วงเกินไปล่วงล่วงเกินกันไปแล้วมันถึงมีโทษมันถึงมีโทษนะัก ถึงมีโทษนะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรายังได้ใช้ไฟในเตาถ้าเราขยับจากศินห้าไปเป็นศินแปสามีภรรยาก็อยากเกี่ยวข้องกันไม่ได้สามีภรรยากเกี่ยวข้องกันไม่ได้ อ, อยู่อย่างพรรมที่เรียกว่าอยู่อย่างพรรมแท้ที่จริงการไม่เกี่ยวข้องกันด้วยอำนาจของกามันเลยมันเป็นต้นตานานเป็นต้นต่อเป็นต้นเหตุ ที่เราที่ทำให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วหาช่องหาทางเล็ดลอดพิจรารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายจางในอัตภาพร่างกายของเราได้ด้วยการไม่เกี่ยวข้องกันสามีไม่เกี่ยวข้องกับภรรยาภรรยาไม่เกี่ยวข้องกับสามีสมมติอย่างเราถือศีพทาเนี่ยเราต้องการต้องการอยู่โดยลำพังสามีอยู่มุมหนึ่งภรรยาอยู่มุมหนึ่ง บางคนต่างตั้งใจเภาหายใจได้รับความสงบเมื่อใจเริ่มสงบใจก็เริ่มเริ่มทิ้งความว้าวุ่นเกี่ยวกับเรื่องการไม่นึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องสัมผัสมันนึกถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เกินไม่เกินไปจากนี้ไม่เกินไปจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ภาวนาให้ใจสงบใจสงบก็คือสงบสงับจากกามจิตจะเริ่มคลี่คลายออกจากกาม จิตสงบจะเริ่มคลี่คลายออกจากกาวเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ให้ความสาคัญในศินแปดสินแปดไม่เกี่ยวข้องกันอันนี้เอาสินเป็นกรอบเลยสามีปรรยายเกี่ยวข้องกันไม่ได้เป็นการเป็นกาวตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้ใจได้รับความสงบจเจริญสมถทัยใจได้รับความสงบเมื่อใจได้รับความสงบแล้วธรรมะที่ละเอียดลึกสูงขึ้นไป พิจารณาเห็นทุกเห็นโทษในอัตภาพร่างกายก็จะเริ่มเห็นก็จะเริ่มเห็นเพราะว่าใจของเราสงบใจสงบใจคลี่คลายใจถอนใจคลายออกจากกามพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสําคัญที่ว่าใจออกจากกามใจออกจากกามก็คือใจสงบนั่นเองเราสามารถเอาใจออกจากกามได้ด้วยการทําใจให้ได้รับความสงบแต่ถ้าหาก เราไม่เกี่ยวข้องกันเลยสามีก็ไม่มีภรรยาก็ไม่มีแต่เราไม่เคยภาวนาใใจได้รับความสงบเ ม, มื่อใจไม่สงบ ม, มันไม่คิดเรื่องอะไรหรอกมันคิดแต่เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องดินเรื่องรถเรื่องสัมผัสเรื่องตัณหาราคาอยู่ในนั้นแหละมันคิดว้าวุ่นอยู่ในนั้นแหละถ้ า, าจิตว้าวุ่นอยู่อย่างนั้ น, น, นตั้งใจภาวนาใใจได้รับความสงบสงบไม่ได้ในเมื่อใจสงบไม่ได้การตั้งใจปฏิบัติทําให้เจริญงอกเงยเจริญงอกงามในหัวใจเจริญไม่ได้ แต่ถ้าตั้งใจทําให้ใจได้รับความสงบเราไม่ต้องบวชเราเป็นถือศีลห้าถือศีลแปนี่แหละเราสามารถได้อัดได้ธทำเช่นอย่างวิสาขะเศรษฐีเนี่ยไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันได้คุณธรรมเป็นพระโสดาพระสกิทาคาสุดท้ายได้เป็นพระอนาคาขึ้นชื่อว่าพระอนาคานั้นไม่เยื่อใยเกี่ยวกับเรื่องกามแล้วมีอยู่วันหนึ่งได้บรรลุถึงคุณธรรมขั้นอนาคาเพราะกลับบ้านไป ไปบอกกับภรรยาภรรยาคือนางธรรมธินานะอันนั้นเธอก็เอาไปให้เธอเอาไปอันนี้ก็ให้เธอเอาไปอันนั้นก็ให้เธออันนี้ให้เธ อ, อเราเคยเกี่ยวข้องกันเหมือนอย่างเมื่อก่อนนั้นต่อไปนี้เราไม่ต้องเกี่ยวข้องกันภรรยาฝังข้าว่าสามีตั้งใจปฏิบัติจนได้อัดได้ทำถึงขั้นว่าไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการจึแล้วก็เป็นมอบจริงนั้นให้มอบสิ่งนี้ให้นี่ก็คือขั้นตั้ง ท่านตั้งใจตั้งแต่ยังไม่ได้บวชน ะ, ะวิสาขัาเศรษฐีไปดูในตานานเสร็จแล้วพอภรรยารู้ว่าสามีได้มนุษยธรรมมาคิดถึงตัวเองแต่ภรรยาก็ไหวทันฉลาดเร็วก็เลยขอสามีบวชขอไปบวชเป็นพิษุนีพอนาะงธรรมทินนาไปบวชได้ไม่กี่วันได้เป็นพระอรหรันต์มนุษย์เป็นพระอรหันต์แน่ใช่ไหมความสามารถ มีความสามารถได้เหมือนกันผู้ชายมีความสามารถผู้หญิงมีความสามารถสามารถทําได้เหมือนกันดูถูกกันไม่ได้เขาเชื่อว่าจิตจิตคือรู้หรือใจหรือธาตุรู้คือผู้รู <c oughs> ้ไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายสัตว่ารู้เท่า น, นั้นหลวงตาท่านว่าจิตไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายแต่ด้วยบุญด้วยกรรมที่เราได้มาเราอาจจะได้อัตภาพเป็นผู้หญิง เราไปยึดแล้วเกินผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยบางทีก็ยึดแล้วเกินเราเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้ชายแต่ผู้หญิงกับผู้ชายนั้นมีกิริยาการแตกต่างกันอาจจะมีกิริยาแข็งแรงแข็งแกร่งหรือผู้หญิงมีลักษณะแบบอ่อนแออ่อนโยนท่านยัมักจะเปรียบตามกิริยาอาการที่จะพึงมีจะพึงเป็น บางคนเป็นผู้ชายไงอยากเป็นผู้หญิงเราก็ดูซิเขาเรียกอะไรบางคนเป็นผู้หญิงแต่อยากเป็นผู้ชายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะใจมันโน้มเอียงบางคนอยากเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ทําไมจะได้เป็นผู้ชายทําไมจะได้เป็นผู้ชายแม้แต่ในหัตภาพเนี้ยเคยได้ยินได้ฟังเขาตั้งใจทําบุญให้ทานยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามเขาอยากเป็นพระอยากเป็นผู้ชายเพื่อจะได้เป็นบวตพระ เนี่ยป็นอย่งงางนั้นก็มีนี่คือความโน้มเอียงความโน้มเอียงแบบนี้ถ้าเผื่อหากมันยังไม่พร้อมไปเกิดชาติใหมย่ยังไม่พร้อมไปเกิดชาติใหม่แต่ยังเป็นเพศผู้หญิงเหมือนเดิมแต่ใจมันเปลี่ยนไปแล้ว <c oughs> ไปเป็นอีกประเภทหนึ่งที่เราว่าเขาเรียกอะไรเราก็ไม่รู้นะแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันด้วยเหตุที่มันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนเป็นผู้หญิงไม่ได้ คือกรรมมันยังไม่ถึงมันงั้นเถอะนิสัยอัตยาศัยน้มเอียงภายในใจมันมีอยู่แต่ว่าร่างกายมันยังไม่เปลี่ยนไปก็เลยไปเป็นผู้ชายนัย่นแหละแต่ว่าจิตใจเป็นผู้หญิงเขาเรียกอะไรไม่รู้จักนะทั้งสองอย่างนี่คือความน้อมเอียงของจิตของขนมันเป็นไปตามนั้นจากการยึดจากการถือด้วยความสําคัญมั่นหมายแต่ผู้รู้มีความสัจจะว่ารู้รู้รชํานะ ขัดกเกลาเกเรออกจากหัวใจได้เหมือนกันเหมือนอย่างนางธรรมทินานาไปบทที่หลังวิสาขาเศรษฐีได้เป็นพระอรหันต์ก่อนใช่ไหมในตานานท่านพูดถึงวิสาขะกับนางธรรมทินนาหลังจากได้เป็นพระอรหรนะันต์แล้นมาถามมาตอบกันไปดูในหลักในหลักเคยเคยดูเคยเคยดูตั้ ง, งนานลแล้วแหละท่านมาถามกันเรื่องเรื่องคุณธรรมภายในหัวใจ ถามกันเรื่องลำดับการเข้าฌานลำดับการเข้าฌานเป็นไงฌานที่1นฌานที่สองฌานที่สเป็นยังไงกิริยาอาการของการเข้าเป็นยังไงเป็นไงโอ้ฟังน่าฟังมากเลยอ่าน่าฟังมากนี่เราปฏิเสธได้ไหมคราะวา่าตั้งใจปฏิบัติธรรมได้อัดได้ทําพระพุทธเจ้าท่รงบัญอยากแค่ศี่ห้าเป็นภาพเป็นพื้นขอให้ตั้งใจรักษาบริสุทธิ์และก็ที่สําคัญที่สุด ไม่ลืมที่จะทำจิตให้ได้รับความสงบเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แต่ถ้าหากจิตไม่สงบคือจิตยังมีคุณสมบัติไม่พอยังมีสติยังไม่พอสัมมัชัญญายังไม่พอเพราะชนะครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนให้ผสมกลมกลืนไปด้วยกันสอนให้เติมทั้งสมทัศนแล้วก็สลับเป็นวิปัสสนา วิปัสสนาสลับเป็นส ม, มนถะส ม, มถะสลับเป็นวิปัสสนาหลวงตาท่านให้จับไปทั้งสองอย่างด้วยกันถึงคราวที่เราเจริญส ม, มถะทําใจให้ได้รับความสงบส ม, มถะหมายความว่าให้จิตเราเกาะมิสสติสัมปชัญญะกําหมดจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์หนึ่งเดียวไม่ให้มันคิดเป็นเรื่องอื่นเป็นสองอารมณ์เช่นอย่างให้บริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธ ทำความอุดสาหพยายามปากบันมีสติกําหนดจุดจ่ออยู่กับคําพุทโธพุทโธพุทโธจนจิตของเราจะเริ่มอิ่มเพราะการที่เราบริการพุทโธหนึ่งเหมือเราป้อนป้อนข้าวเข้าปากป้อนไปป้อนไปป้อนไปก็จะเริ่มอิ่มป้อนเข้าปากกลืนลงท้องป้อนเข้าปากกลืนลงท้องในขณะที่เราใจบริการพุทโธพุทโธพุทโธมันก็เป็นการป้อนอารมณ์เข้าสู่มือใจ เรายึบป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปด้วยการที่ไม่คลาดสายหูสา ย, สายตามี ส, สติสัมปชัญญะกำกับจิตก็จะเริ่มสงกจิตอยู่กับอารมณ์เรียวจิตจะเริ่มสงกสงบจนถึงขั้นอิ่มอิ่มถึงแม้ว่าจิตจะไม่จําปิพุทโธพุทโธจิตก็ไม่ไปไหนเพราะจิตมันอิ่มมันอิ่มอารมณ์เมื่อก่อนนั้นจิตมันไม่อยู่ภาวนาไม่ค่อยอยู่ภาวนาไม่สงบเพราะอะไรเพราะจิตมันหิวหิว อ, อารมณ์ หิวอะไรล่ะหิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสหิวสัมผัสอันนี้เป็นเป็นต้นสายมันเป็นกระแสของตัญหาที่มันออกมาหากินเจ้าตัวการเจ้าตัวร้ายกะที่อยู่ในหัวใจเราไม่รู้จักมันมันออกมาหากินออกมาหากินรูปกินเสียงกินกลิ่นรสปดตะพัธรรมารมแล้วก็ปัญหาเรื่องราวสารพัดที่มันจะพาเราอยากเพื่อที่จะได้สนองตอบให้กับมั น, นพอจิตเริ่มสงบ จิตเริ่มอิมจิตก็เริ่มสงบจนทิ้งคำบริกรรมจิตยังอยู่ในคำบริกรรมมีท่านเรียกว่ามีวิตกมีวิจารมีปีติมีสุขมีเอกกตาบริกรรมไปบริกรรมไปบริกรรมไปจิตอิ่มทิ้งวิตกทิ้งวิจารไม่ต้องพูดไม่ต้องดาริถึงพุทโธพุทโธพุทโธแต่จิตไม่ไปไหนจิตมันอิ่มจิตมีความสุข นื่องจากคิตอยู่กับอารมณ์มัเดียวเลยปีติไปเหลือความสุขกับอารมณ์มัเดียวเลยความสุขไปเหลืออุเบกขากับอารมณ์มันเดียวเราตั้งใจเจริญให้ละเอียดลึกไปโดยลําดับลึกไปโดยลําดับคุณน้อสมบัติภายในใจของเราเริ่มมีครูบาอาจารย์ท่านให้เราทําตั้งใจทําจริงจังเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลยจิตได้รับความสงบมีภูมิความสงบมากน้อยเท่าไหร่ก็ตาม เวลามีรู้สึกว่าจิตมีพลังจิตถอนออกมาท่านให้พิจารณาการพิจารณาหมายความว่าพิจารณาให้เกิดปัญญาพิจารณาอะไรพิจารณากรอสังขารนี่แหละพิจารณารูปธรรมพิจารณานามธรรมน่แหละพิจารณาขยับไปพิจารณาขยับมาดูกิริยาอาการที่จิตของเราไปรับรู้ไปรับทำงานการพิจารณาให้เกิดปัญญานั้นพิจารณายักย้ายผันแปรไปตามอารมณ์ ก็เห็นสังเกตสังกาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราหัดพิจารณาหัดแยกขัดแยกเช่นอย่างพิจารณาเพื่อทำลายอนัตตาพิจารณาเพื่อทำลายอัตตาคำว่าอัตตาสัญญามันพายุสเห็นว่าเป็นก้อนเป็นแท่งว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตนท่านจึงให้หัดพิจารณาพิจารณาเห็นเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ได้ พิจารณาถนัดท่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็จิตเกาะอยู่กับอันนั้นสังเกตดูที่ไปดูที่มาของมันเจาสลับกันไปสลับกันมาสลับกันไปสลับกันมาหรือไม่ก็จะพิจารณาไล่ตั้งแต่เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังที่เป็นอาการสามสองอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของมิจฉาเนาแต่เวลาเราทําให้จิตได้รับความสงบ เราไปจิตของเราไปเกาะ อ, อยู่กับอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งจิตของเราได้รับความสงบไปเป็นสมถะก็ได้อารมณ์ของสมถะกับวิปัสสนานั้นอนะ่ะมันเป็นการทํางานของใจคําว่าสมถะกับคําว่าวิปัสสนาเวลาเราทําไปแล้วมันเป็นงานที่เราทําที่ใจหากเราแยกมาพูดเฉยๆว่าสมถะว่าวิปัสสนาแต่เวลามันมีมันเป็นอยู่ในใจของเราเราแทบแย ก, กออกไม่ได้เราจะว่าสมถะ แต่มันรู้รู้โรูอยู่เรื่อยเนื่องจากว่าเราเพิ่มภูมสติสัมปชัญญะของเราไปเรื่อยมีความรู้รู้เพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยเชียไปเรื่อยแหลมไปเรื่อยเห็นความสว่างสวัยปลอดโปร่งไปเรื่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงของอัตภาพร่างกายพิจารณาอัตภาพร่างกายโดยเฉพาะอย่างให้ท่านให้พิจารณาท่านให้ท่านให้บริกรรพุทโธพุทโธพุทโธ ถ้าเราบริการพุทโธพุทโธเสร็จแล้วเราย้อนมาดูที่จิตพุทโธพุทโธเราย้อนมาดูที่จิตพุทโธพุทโธเราย้อนมาดูที่จิตอาร <M> ามณ์แบบนี้ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งทั้งที่พุโทโธวันเดียวกันนั่นแหละเราเห็นที่เราย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับไปมันเป็นการเอาผู้รู้ของเรามาทํางานพุทโธเราย้อนมาดูที่จิต ย้อนประดูดจิตแล้วก็วัฏจักรพุดโธดูผู้ที่ว่าพุโทโธคืออะไรเป็นอะไรอันนี้เป็นการศึกษาตัวเองลองลองทำลองดูเวลาจิตของเราสงบแล้วเราจะว่าทำ ม, มองเราจะว่าสังโครหรือเราจะว่าอะไรมันเหมือนกันหมดก็เพราะว่าผู้สงบมีหนึ่งเดียวคือจิตจิตได้รับความสงบอันนี้คือการอบรมให้เกิดให้เกิดความสงบให้เกิดปัญญา แต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราตั้งต่รักษาศีลด้วยเพราะศีลหนุนสมาธิแล้วก็สอนให้เราเจริญสมาธิด้วยเพราะสมาธิหนุนปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาจึงรวมตะลอมลองอยู่ในองค์มรรคที่ที่เรียกว่าอาริยมรรคมีองค์แปดแเมื่อสู่เป็นสามกระดกเกศีล ส, สมาธิแล้วก็ปัญญาศีลเราจําเป็นต้องศึกษาจําเป็นเราต้องมดจําเป็นเราต้องเป็น การให้ทานนั้นเราฝากกันทําก็ได้แต่การจ้งใจรักษาศีลเราฝากให้ใครช่วยรักษาแทนเราไม่ได้พอเรามาเริ่มถึงขั้นศีลแล้วเนี่ยมันมีการวิรักมันมีการงดมันมีการเว้นเสียแล้วเห็นไหมมันกระเทือนมาที่กิริยากายที่กิริยาวาจาของเราแล้วมันเป็นการเอาสติเอาสัมปชัญญะเอาปัญญามาควบคุมกิริยากายของเรากิริยาวาจาของเราแล้ว เรามาพิจาราดูอย่างนี้แล้วกิเลสที่มันเคยมีอยู่ในหัวใจของเราแสดงทลักทลัวออกมาทางกายกายกรรม ม, ราาร ม, รร ม, มันพาเราทํากรรมทางกายกรรมมันพาเราทํากรรมทางวาจีกรรมพอเรามาสงบระงับระนับด้วยศรริลงกรรมเหล่านี้ก็จะเริ่มสะอาดจะเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นจะอย่างไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พระพฤติผิดในกรรมไม่ดื่มสุรามีไร ไม่พูดเท็จพูดหยาบพูดเสาะเสียนี่ก็มาคุมไว้กี่กรรมไปแล้วกิเลสหยาบหยาบมันแสดงออกมาที่กายกิเลสหยาบหยาบมันแสดงออกมาที่วาจามาจากมาที่กายก็มาจากจิตนั่นแหละมาที่วาจาก็มาจากจิตนั่นแหละแต่ด้วยเหตุที่เราตั้งอกตั้งใจรักษาศีลไม่ให้มันล่วงมาทางกายกําหนดจดเจาะกํากับควบคุมที่จิตสํารวมระมัดระวังอากายกรรมเอาจิตกระมัดระวัง มันไหวจีกรรมเอาจิตระมัดระวัรรรงระมัดสุขดูแล้วว่ากรรมที่จะพึงทักทะลวงเข้ามาที่หวัวใจของเราก็มีกายกรรมวหวจีกรรมมโนกรรมทันหนึ่กรรมที่เป็นโทษท่านกะ บ, บอกบอกอยู่แล้วข่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดเท็จพูดอยาพูดโสเสียพูดเพ้อเจอ้อกิริยาที่เราเคลื่อนไหวไปมาก็มันก็เป็นกายกรรมเหมือนกันแต่มันไม่เป็นโทษไม่เป็นเวรไม่เป็นภยัยท่านจึงไม่เอามาัญญัติ การพูดเหือกันพูดยาพูดสอเสียพูดยุยงส่งเสริมให้คนทะเลาะเบาเหมือนกันพูดดา่าพูดด่าทอซึ่งกันและกันเนี่ยพอกิริยาเราแสดงกิริยาทางวาจาเรามีมาแล้วมันเป็นเวรเป็นภั ย, เ ป, ภยเป็นบาปเป็นกรรมมันทําให้คนฝ่ายตรงข้ามได้รับความกระทบกระเทือนแต่ถ้าหากเราไปพูดไปสอนไปอะไรอะไรนะไม่เป็นให้กระทบกระเทือนผิดศีลข้อนี้พูดทั้งหวัดมันก็เป็น วัจ no en ีกรรมเหมือนกันแต่มันไม่เป็นโทษท่านไม่เอามาตั้งเอาไว้เป็นหลักเราไปดูในศี่ในกุศลกรรมบทสิบในกุศลกรรมบทสิบท่านพูดเอาไว้กายกรรมสามวัจีกรรมสี่มโนกรรมสาเนี่ยท่านพูดถึงกายกรรมสาฆ่าสัตว์รักทรัพย์พระพุทธภิกายนิ迦ให้เว้นเว้นฆ่าสัตว์เว้นรักทรัพย์เว้นพระพุติภินกามนิ迦วัจีกรรมสี่ เป็นพูดเท็จพูดยาพูดซอเสียพูดเพย์เจอรตลกขนองยาบคายเหลวไหลและแต่ละจะบวกจะเพิ่มเข้าไปมนโนกรรมสก็คือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยายามปองร้ายเขาเห็นถูกตามทํานองครองธรรมอันนี้คือหลักที่เราทิ้งไม่ได้เมือที่เราทิ้งหลักไปแล้วเราเคว้งควางจับไม่ถูกไม่รู้ผิดหรือไม่รู้ถูกพูดผิดหรือถูกก็ไม่รู้ด้วยเห็นที่เราไม่ชิ้งหลักเราจึงไม่เสียหลัก เริ่มแรกที่เรากำหนดเดินทางเราจะทิ้งหลักไม่ได้เราจะทิงงะท้งเป้าหมายมาได้เราจะทิง้งเป้าประสงค์ไม่ได้เราจะต้องถือหลักอันนี้เอาไปนี่คือกรรมเราเรากักษามาธิกายกรรมที่วจีกรรมเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุทโธมั น, น, มนกรร็เป็นมโนกรรมเป็นมโนกรรมก็เอาจิตนะเป็นผู้เป็นผู้ดํารีว่าพุโทโธพุโทโธที่เราเรียกว่าวิตตวิตตวคือความตึกเราลอง กำหนดดูว่าพุทโธพุทโธแล้วเราก็จ่อปัิจิตพุทโธแล้วก็จ่อปัิจิตพุทโธแล้วก็จ่อปัิจิตมันได้รับความสงบด้วยมันได้รับความรอบรู้รอบรู้คืออะไรตัวที่พารู้พาตื่นรอ ก, ก็คือตัวสติตัวสัมปจัญญะตัวสติก็คือตัวที่ปลุกจิตให้ตื่นรู้อยู่ในขณะปัจจุบันตัวนี้แหละเป็นตัวที่เป็น เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการเอามากากับดูบแล ง, งานอันนี้ให้เป็นไปได้เนื่องจากว่าเรามีผู้รู้เรามีทา่ารู้แต่กิริยาของจิตที่เป็นสติตัวนี้เป็นตัวที่ปลุกให้จิตของเรา ต, ตื่นรู้เต็มร้อยสว่างโรูอยู่นั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปลุกสติให้สร้างสติให้หัดตั้งสติให้หัดสร้างสติ เพราะฉะนั้นในหลักมหาสติปัฏฐานท่านจึงเอามาพูดเป็นเรื่องใหญ่เลยมหาสติปัฏฐานเนะี่ยเอาสติเป็นตัวตั้งเอาสติเป็นที่ตั้งเอาสติเป็นผู้กํากับดูแลงานพิจารณากายตามรู้กายสติกำลังจดจ่อรูสติก็คือกิริยาการของผู้รู้สติก็คือผู้รู้นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นกิริยาที่เราปลุกให้ตื่นรู้ อยู่ในขณะปัจจุบันรู้เต็มร้อยสติสัมชัญญาจะมาด้วยกันปลุกให้ตื่นมาด้วยกันสติความระลึกได้สัมชัญญาความรู้ตัวบางครั้งเรากำหนดไปที่ความรู้ตัวโอ้ความรู้ตัวในละเอียดนะความรู้ตัวรู้ตัวว่าเรากําลังบริกรรมรู้ตัวว่าเรากําลังสงบรู้ตัวว่าเรากําลังเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้หรือบางทีรู้ตัวว่าเรากําลังดั้มริดผิด รู้ตัวว่าควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะผิดถูกเป็นอันว่าความรู้ตัวนี้ละเอียดมากถ้าเราน้อมเข้ามาที่หลักการปฏิบัติมาริตินี้ละเอียดมากตามดูกายตามพิจารณากายตามดูเวทนาตามพิจารณาเวทนาตามดูจิตตามพิจารณาจิตตามดูธรรมตามพิจารณาธรรม แล้วแต่ใครจะมีความชนิดชำนาญกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่งเราพยายามอารมณ์เหล่านี้มากำกับมาดูแลและมาทำเราทำอย่างใดอย่างหนึง่งจะทะลุถึงกันหมดทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมขอให้เราจับให้ถูกกับชริดนิสัยของเราอยู่กับจริดนิสัยของอะไรขอให้เราจับไปอย่างนั้นบางที่อยู่กับกายได้ดีอารมหายใจเข้าหายใจออกเย ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนี่ก็เป็นหลักมหสติปัฏฐานมันเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปันสนาอยู่ด้วยกันแยกออกมาพูดเฉยๆว่าสมถะวิปันสนาพอเราทํางานตามหลักมหสติปัฏฐานแล้วมันจะไปพร้อมๆกันได้รับความสงบในขณะที่เราดํารงอยู่กับอารมณ์ัเดียวกิเลสแสดงตัวที่จิตของเราไม่ได้จิตได้รับความสงบจากนั้นแล้วมันเพิ่มความรู้เพิ่มความเข้าใจเพิ่มสติเพิ่มสัมปชัญญะ เพิ่มคุณสมบัติให้กับผู้รู้ของเราก็จะเริ่มก่อรก่กอรากสร้างเนื้อสร้างตัวท่านจึงพูดได้เต็มปากว่าใครสามารถจเจริญได้เจวัน 7, เจเดือนเจปีเป็นอย่างช้าที่ท่านพูดถึงอ น, นิสงส์แต่เราทําได้ตามนั้นไหมละ่ะเราสามารถทำํำได้หรอตลอดตามที่ท่านแสดงเอาไว้ไหมเช่นอย่างกำหนดกำหนดดูจิตของเราเนี่ยไม่ให้มันคลาดสายหูสายตาไปเป็นอื่นไปเลยเนี่ย จิตมันอยู่กับก็อยู่อยู่กับความรู้สึกของจิตหนึ่งเดียวเนี่กันหมดรูโร้โู้รู้รู้อยู่นใช้ความละเอียดลอของจิตจเจาะก็ไปชิพูรู้ละเอียดรูแม่อย่างใด อ, อย่างหนึ่งมาแทรกในที่สุดนี่วอนทั้งหลายทั้งปวงที่เคยมาครบเราหัวใจของเราอ น, นัตตจางไปอันนี้ก็จืดไปอั น, นัตตจางไปอันนี้ก็หายไปจนจิตมีคุณสมบัติเพิ่มคุณสมบัติให้กับตัวเอง เห็นความรู้เห็นความเข้าใจเกิดปัญญาเกิดปัญญายาขึ้นมาในหัวใจของเราอันนี้คือการพิจารณาเกิดสติให้เกิดปัญญามันได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสนาอันนี้เรามาพูดถึงแนวปฏิบัติตามหลักมหสิติพุทธานเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเป็นอย่างชาทันวานะเจ็ดปียกไว้6ปี6ปียกไว้ปี4ปี3ปี2ปียกไว้เจเดือน 6เดือนหเดือนสี่เดือนสเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนยกไว้ครึ่งเดือนครึ่งเดือนยกไว้เจวันถ้าบุคคลคนนั้นยังมีอุปธิอยู่อย่างน้อยได้เป็นพระโสดาบันอย่างมากได้เป็นพระอนาคามีถ้าไม่มีอุปธิเหลืออยู่คำว่ า, าอุปธิหมายถึงกิเลส ต, ตัณหาที่มีอยู่ในหัวใจของเราถ้าอุปธิหมดไปบุคคลคนนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอระหรันต์ นี่แต่เราทําไงเราถึงจะจับให้รู้ตลอดมันก็แสงไฟที่เราเปิดไว้รู้ตลอดแต่ไฟในใจของเราเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเพราะว่ามันเป็นสัง ข, ขารปรุงแต่งสังขารรูปธรรมสังขารนามธรรมสังขารจิตสังขารจิตมันก็ปรุงปรเรื่ยปรุงปเรื่ปรุงปรเรปรุงไเรอพลิกแลปลงเป ล, เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยสังขารจิตไม่เคยนิ่งไม่เคยหยุดอยู่กับที่เหมือนกันปรุงอย่างหนึ่ง รับรู้รับทราบเวทนาสัญญาสัญญาก็เป็นอาการของจิตสังขารสังขารคือปรุงปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางกลปรุงกุศลปรุงอกุศลือปรุงกลางกลและอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าแยบดับแยบดับแยบดับที่หลวงตาท่านว่านอันนั้นเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง4ี่อย่างนี้เป็นอาการของจิตเป็นอาการของผู้รู้เรามาพิจรารณาให้เกิดความรู้เกิดความเห็นความเข้าใจเหล่านี้แล้ว มันสามารถจะทาให้เรารู้เ hmm. ท่าทันตัณหาที่มันจะพึงแทรกมาที่กายจะพึงแทรกมาที่เวทนาที่จิตที่ธรรมตัณหาน่มันพาดพิงมาที่กายท่านจึงให้เอากายเป็นอารมณ์พาดพิงมาที่เวทนาเวทนาเวลาเวลาเวลาสำคัญมันหมายว่ากายเป็นกายเราเป็นกายของของเราสำคัญว่าเวทนาเป็นเราเวทนาเป็นของของเรา สำคัญว่าจิตเราเรารู้เราตื่นเรานเรนี้มีความสําคัญแท้ที่จริงกําหนดจดจ่อลงไปสักว่ารู้เท่านั้นเองโดยเหตุที่เราไม่เคยกําหนดจดจอ่อกิริยาที่มันพรุงแต่งอยู่ในนั้นมีสรรพัตเพราะมันเป็นเรื่องของสังขารสังขารปรุงไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยแม้แต่ตาเห็นรูปปั๊บเกิดความรู้อันนี้ท่านก็เรียกว่าจักขูวิญญาณเรามาไล่าตามนี้ ทำให้เราได้ข้อปฏิบัติน้อมมาที่กายของเรานี่เราพูดถึงกายถึงเวทนาพูดถึงจิตพูดถึงธรรมเราต้องการทราบกําลังของเราเราก็เริ่มรู้ได้เลยตอนนี้เรานั่งมา10นาที20นาทีเราเริ่มเจ็บเริ่มปวดปวดหัวเขา่าปวดต้นขาปวดบั้นเอวปวดไหล่ปวดคอปวดตรงไหนก็แล้วแต่ สมมติเรานั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเราก็ปล่อยพุทโธมาอยู่กับเวทนาเนี่ยจ่อมาที่เวทนาเอาผู้รู้พวกเราจ่อมาที่เวทนาลองกําหนดจดจอ่อลงมาครูบาอาจารย์ท่านจ่อมาที่เวทนาเวทนาคือความเจ็บความปวดะจ่อไปตรงนั้นตรงที่มันปวดนะปวดตรงไหนปวดตรงต่อโภคจ่อไปตรงนั้นแหละจ่อไปตรงที่เอามนันร้อนๆ้อนที่ว่าปวดจ่อเอาไปแช่อยู่ในนั้นแหละ แล้วก็จ่อไปดูกิริยาของกายจ่อไปดูลักษณะของกายโอ้กายตัวนี้เราดูให้เห็นสักถ้าวัดดูสักให้เห็นสักท้าวปดปวดเฉยๆเป็นว่าเวทนาเฉยๆอย่าให้ตันหามันแทกถ้าตัญหาแทกมันจะ ม, นมันจะว่าเราเจ็บมันจะว่าเราปวดนะแล้วก็ถ้าให้ย้อนมาดูที่จิตอีกด้วยดูที่เวทนาดูที่เจ็บที่ปดวดย้อนมาดูที่จิตอีกย้อนมาดูที่จิตไหนย้อนได้นะ ย้อนมาดูพิจานาที่จิตเราย้อนได้ดูที่จิตเสร็จแล้วก็ย้อนไปดูที่เวทนาแล้วก็ย้อนไปดูกายกายตรงที่มันเป็นนั่นแหละใช้ความรู้สึกนี่แหละไปกําหนดจดจ่อลองดูมีสติมีสมาธิมีปัญญาทํางานอยู่มีสติมีสัมผชสัญญากำหนดจดจ่อรู้ทางานอยู่เพื่อไม่ให้ตัณหามันแทรกเข้ามาตัณหาเวลามันแทรกเข้ามามันจะพายุดทันที เกิดตัณหาและเกิดอุปาทานยึดขึ้นมาทันทีว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราอันนี้เป็นวิธีการเป็นปากทางเป็นปากทางที่ทําให้เราต่อสู้กันกับความจริงเพราะฉะนั้นเวทนาก็เป็นสัจจะเป็นความจริงกายก็เป็นสัจจะเป็นความจริงเวทนาก็เป็นสัจจะเป็นความจริงจิตก็เป็นสัจจะเป็นความจริงมีสัจจะมีความจริงอยู่ในนั้น ทำแต่ละบทแต่ละบทที่เราพิจารณาก็เป็นสัจจะแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างเพราะฉะนั้นท่านจึงเอามาเป็นอารมณ์ของมหาสติปัฏฐานเราจะพิจารณาบทสมถะ ก, ก็ตามเพราจะพิจารณาบทวิปัสสนาคือเจริญปัญญาก็ตามรวมลองอยู่ในนี้ทั้งหมดเพราะหลักคําสอนที่เรียกว่ามหาสติปัฏฐานนั้นมันเป็นคําสอนที่ล่อมรวมหลองรวมลง ม, ม, ม, ม, มาในนี้ทั้งหมดอ่า ที่ท่าพูดเป็นปริยายที่นู่นบ้างที่นี่บ้างที่นี่บ้างที่นั่นบ้างสูตรนั้นบ้างสูตรนี้บ้างตล่อมหลอม ล, อมลงมาในวิธีการของมหสถิปัญฐานทั้งหมดจึงเป็นพระสูตรพระสูตรเดียวที่เราควรศึกษาควรศึกษาควรพิจารณาเพราะบอกสอนในเรื่องกิริยาอาการของกายของเราของจิตของเราทั้งนั้นทําให้เรารู้เท่าทันความเป็นไปของตัณหาในหัวใจของเรา ตันหามันมีอยู่มาในหัวใจของเราด้วยกันเหมือนกันทุกคนไม่มีใครแม้หนึ่งเดียวเกิดมาแล้วไม่มีตันหาตามมาด้วยแม้แต่พระอนาคามีที่ท่านไปเกิดในพรหมโลกพระอนาคามีที่ท่านไปเกิดยังมีตันหาที่ละเอียดอยู่นั่นแหะยังเหลือขั้นสุดท้ายยังมีตันหาตัวที่ละเอียดขึ้นชื่อว่ามีพบมีชาติที่ไหนจะต้องมีตันหาไปโปรดที่นู่นแต่ปัญตันหานั้นยังเกาะอยู่ในส่วนที่ละเอียด นะตัณหาตัวนี้แหละมันจะเป็นสิ่งปนเปื้อนมากับจิตของเรามากับท่ารู้มากับผู้รู้ของเราเราไม่สามารถจะแยกแยะออกได้ถ้า ไ, ไม่ใช้หลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจึงเอาหลักคือสังขานี่แหละมาให้เราพิจารณาเรื่องขอ ง, ของสมถะและเรื่องของวิปัสสนาเอากองสังขานี่แหละมาพิจารณาเพื่อให้เราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภยัย ด้วยเหตุที่เรามีตันหาในหัวใจตันหามันพาเราเกาะเมื่อเกิดตันหาในหัวใจแล้วมันก็พายุดมีตันหามันก็มีอุปาทานแล้วก็มีภบแล้วก็มีชาติเรามีภพมีชาติมากี่กับการโพเลชาติเราเราลึกไม่ได้รู้ไม่ได้ย้อนหลังไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเหมือนพระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุปุเพนิวาสารุสติญาณลึกไปมารู้จักจบพบชาติของท่านก็เหมือนกับพบชาติของเราพบชาติของเรา ก็เป็นมามากมายมหาศาลเหมือนกับท่านท่านก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับท่านเราไม่ทราบว่าเราเกิดมากี่กับการ ก, กี่โพเรชาแล้วเคยตก น, นรกเคยขึ้นสวรรค์เคยเป็นมนุษย์เคยเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้มามากน้อยเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แ ล, ล้วแหละด้วยเหตุที่ว่าความเป็นไปในวัฏสงสารเนี่ยยืดยาวไปไม่มีหยุดจบไม่มีที่จบถ้าหากเราไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้เพื่อเป็นการย่นยอ่อพบชาติก็ให้น้อยลงให้น้อยลง เพราะฉะนั้นถ้าหากเราไปปลีกออกไปจากช่องทางทุกข์ทิจจาทั้นสอนศีลสมาธิปัญญาแล้วหาช่องทางไปไม่ได้นะรู้ทิเจ้าท่านจึงทรงแสดงกามสุขาลิการโยกเราโมจะเพลินบำรุงบริเรื่องกามเราก็ไปไม่ได้รรมาทรมานกายเป็นการทรมานในทางที่ผิดแล้วก็เราก็ไม่สามารถจะบรรลุไม่สามารถจะเข้าถึงคุณธรรมเหล่านั้นได้ เพราะตัวกิเลสที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่กายเหมือนอย่างพุทธเจ้าท่านไปทรมานมรุทธะไห่ต่อเทไห่การทรมาร่างกายจนพระกายของพระองค์เนี่ยจะขาดชีวิตจินรีไปต่อหน้าต่อตาพระองค์ด้วยพระปัญญาปรีชาสามารถจึงหันมาระลึกได้ว่าไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางหันมาดําริเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปของจิตที่แท้จริงตัณหามันมีอยู่ที่จิตตัณหาเราย้อนไปที่จิตของเราเราจะเห็น ย้อนไปเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเดี๋ยวนี้สังเกตสังกายการหมจดจอเดี๋ยวนี้เราก็จะเริ่มเห็นเดี๋ยวนี้ตัณหาตัวนี้ด้วยเหตุที่มันมีเป็นตัวเป็นตนเป็นเป็นกิริยาอาการลักษณะที่มีอยู่ภายในเราจึงสามารถดูเห็นเอาอะไรดูเอาสติดูเอาปัญญาดูเอาสมาธิดูเอาปัญญาดูดูตัณหาที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราใจของเรามัญญัติยาก เพราะฉะนั้นท่านจรงว่าตันหาตันหาแปลว่าความอยากการมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเราเป็นผู้ตั้งใจจะปฏิบัติเราไม่ต้องไปแยกหรอกกรรมตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาให้เราพยายามผัดดูความอยากในหัวใจของเราเวลาใจของเรามันอยากโอ้อยากแบบนี้อยากปีนเปลี่ยนกับศีลกับธรรมนี่เป็นเรื่องของตันหาแล้วโอ้อยากแบบนี้ทําให้เราอยากให้ทานอยากรักษาศีลอะอยากภาวนาอยาก ได้อัดได้ทได้มักได้ผลได้ผ่านโอ้ความยากแบบนี้เป็นมักความยากอย่างหนึ่งอยากตามอำนาจของสมุทัยของกิเลสตัณหาความอยากอีกอย่างหนึ่งอยากตามอำนาจของธรรมเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องต่อสู้เอาเยี่ยงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราอยู่ด้วยกิริยาอาการของธรรมเช่นอย่างเร า, เรามีสติกำหนดจดจ่อรูลตลอดหรือม่เราบริกรรมพุโทโธพุโทโธตลอด หือแม้เราเดินเราก็กำหนดกิริยาเดินตลอดท่านจึงให้ทำความรู้สึกตลอดกับยืนกับเดินกับทำกับพูดกับคิดให้ทำความรู้สึกตลอดหรือแม้เราก็อยู่กับแต่คำว่าพุโทโธพุโทโธด้วยเหตุที่เราตั้งอกตั้งใจอยู่อย่างนี้ท่านว่าเป็นกรรมเป็นกิริยาของธรรมธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมแต่ถ้าเราปล่อยให้จิตของเราเนี่ยคิด ด้วยอำนาจของความอยากตามอำนาจของกิเลสสังเกตให้ดีว่ากิเลสนี่มันชอบปีนเกลียวกับศีลกับธรรมท่านบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามารักทรัพย์ห้ามฆ่าสัตว์อยากฆ่าห้ามรักทรัพย์อยากรักห้ามประพฤติผิดในกรรมอยากประพฤติผิดในกรรมความอยากแบบนี้เป็นความอยากของตังหาเป็นความอยากของกิเลสห้ามดื่มเหล้า อ, อดไม่ได้ทนไม่ได้อยากดื่มอยากกินนี่ชอบปีนเกลียวกับสินกับทำอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าอํานาจของตันห า, าผิดสินผิดธรรมผิดขนบธรรมเนียมประเพณีคิดผิดกฎหมายผิดกฎหมายของของบ้านของเมืองอผิดระบบระเบียบทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นอนํานาจของความอยากความอยากด้วยอะไรก็ตามาให้เราพยายามจับดูว่าเอออยากเพื่อทําหรืออยากเพื่อเกลียด อยากเพื่อทำอยากเฝ้านายใจได้รับความสงบอยากต่อสู้เขเวทนาอยากใช้ปัญญาอยากเจริญสติอยากตั้งสติให้ต่อเนื่องความอยากทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นผลเป็นมักเป็นมักเป็นผลอยากด้วยอํานาจของมักหรืออยากด้วยอํานาจของกิเลสพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พวกเราอยากด้วยอํานาจของมักมันเป็นการเจริญธรรมทำกรรมวิบากทำกรรมวิบาก แต่ถ้าปล่อยให้เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสพาทำกรรมพอเราทำลงไปแล้วเป็นผลรายได้ของกิเลสทำพาทำกรรมเราทำลงไปแล้วผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมภายในใจของเรานั้นอาศัยอำนาจของธรรมอำนาจของกิเลสนี่แหละต่อสู้กันในเมื่อเราพยายามละกิเลสแล้วเราพยายามเจริญธรรมก้อนธรรมก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเริ่มมีกําลัง แข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำภายในใจของเราจะเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมความฉลาดรอบรูนะ้โดยชอบชอบด้วยธรรมที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าเป็นเรื่องของคิเลสแล้วมันไม่ได้หลอกหลอกเราทุกกิริยาทุกอาการหลอกให้รักหลอกให้ชังหลอกให้กโกรธหลอกให้เกลียดไม่เคยที่จะให้เรายอมรับยอมรับตามสภาพที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงนี่เป็นอํานาจของกิเลส ยีเลศนำความทุกข์นำกองทุกทกองทวดมาให้แต่เรื่องของธรรมนำความสุขนำความเช่มชื่นเบิกบานมาให้กับมือใจของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงให้จํามาที่หลักจับมาที่หลักอริยสัจเนี่ยเช่นอย่างเรากําหนดดูกายกํากหนดพิจารณากายดวงตาท่านบอกว่าให้กําหนดพิจารณาที่กา ย, ากกากายแล้วก็พยายามย้อนความรู้สึกมาที่จิตเพื่อที่จะได้เห็นตัณหา กำหนดพิจารณาดูที่จิตแล้วย้อนความรู้สึกมาที่กายกําหนดทีกายเลยย้อนความรู้สึกมาที่จิตเราลองทําลองสลับอย่างนี้ยอมลองดูเราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยสามารถเอาใช้ได้ถ้าเรามีสติดีมีสัมผชัญญะดีจะทําให้เรามีปัญญาดีย้อนดูกายแล้วย้อนมาดูจิตย้อนดูเวทนาแล้วก็ย้อนมาดูจิตย้อนดูจิตแล้วย้อนไปดูเวทนาเพราะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเป็นสัจจะ ด้วยเหตุที่เราไม่เคยยอมรับเราไม่เคยรู้เห็นตามตามอานาจของธรรมมันมีแต่ความรู้เห็นตามอํานาจของตัณหามันยากยากยังไงมันก็ทาอย่างนั้นยากยังไงก็ามอย่างนั้นอิสระตามอานาจของกิเลสพอเราคารุกข้อพงพอเราหอพผิวเอากอกทุกของทษมาสู่มือใจของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจริญธรรมปฏิบัติธรรมเจริญมหาสติปัฏฐานนี่แหละ มันเป็นการเจริญสมาธิธรรมเจริญสมถะ ธ, ธรรมเจริญวิปัสนาธรรมคอยเราตั้งอกตั้งใจคุณสมบัติอย่างอื่นก็จะค่อยเพิ่มภูมทวีคูณขึ้นในหัวใจของเราอันนี้คือคุณสมบัติที่เราควรจะเจริญให้เกิดขึ้นมีขึ้นเพราะเราตั้งอกตั้งใจทําทํำยังไงอะถ้าหากใจของเราไม่สงบเราก็เจริญสมถะซะก่อนให้ใจได้รับความสงบพอใจเริ่มได้รับความสงบเราก็จะเริ่มพิจรารณาการพิจารณาจะพิจารณาอย่างไง พิจารณาตามหลักมหาสิปัฏฐานี้เองจิตอยากอยู่กับความสงบของสมถะเราให้อยู่อยู่ให้เต็มอิ่มอยู่ให้เต็มที่เพราะออกจากความสงบมาทั้งให้พิจารณาพิจารณาตามหลักมหาสีปัฏฐานนี้เองอยู่กับการพิจารณากายอยู่กับการพิจารณาจิตมันเป็นการอยู่กับธรรมพิจารณาอยู่กับธรรมสักหน่อยนึงจิตของเรามีกำลังจิตของเรามีกำลังจนเกิดภูมิรู้จนเกิดภูมิรู้ จนมันความรู้ของเรามันเติบมันโตมีความรู้เพิ่มเติมมีความรู้เติบโตมีความรู้ละเอียดยังจนเกิดรู้เองเห็นเองรู้เองเห็นเองมีอะไรแยบรู้รู้ความเป็นไปของธรรมชาติมีอะไรแยบรู้รู้ความเป็นไปของธรรมชาติธรรมชาติที่เราควรรู้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตานี้มันเป็นลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับสังขารทุกอย่างสังขารทุกเรื่องอานิจจังทุกขังอนัตตาสังขารใดๆในโลกที่มาประกอบกันแล้วไม่อยู่เท่าเดิมแล้วก็เปลี่ยนไปกิริยาเหล่านี้ท่านให้เราศึกษาเพื่อมาสังเกตสังกาเพื่อให้เห็นโทษเห็นภยัยถ้าหากไม่เห็นโทษเห็นภยัยตามหลักของอานิจจังทุกขังอนัตตาตามหลักของไตรลักษณ์มันก็ไม่ใช่ปัญญาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนด้วยเหตุ ที่สัจจะมี จ, ม ร, จริงมีอยู่ประจำของสังขารสัจจะมีอยู่ประจำของสังขารคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารของเราเกิดจากสิ่งปรุงสิ่งประกอบสิ่งปรุงสิ่งประกอบเกิดขึ้นมาได้ด้วยด้วยอะไรเกิดขึ้นมาได้ด้วยความไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจที่เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาไม่รู้ไม่เข้าใจเรามาดูอวิชชาที่มีอยู่ในใจของเราในขณะที่เราเจริญส ม, มถะก็ตามเจริญวิปัสสนาก็ตาม ตราบใดที่เราขาดสติปั๊บอวิชชาครอบงําแล้วตราบได้เราขาดสติปั๊บอวิชชาครอบงําครอบ ง, าอบงาําจิตของเราแล้วตราบไดที่เราไม่ขัดขาดสติขาดสัมผััญญาเรามีสมาธิเรามีปัญญาโอยู่จิตของเราเป็นวิชชาไม่ใช่อวิชชาจิตของเรามีความรู้มีความสว่างตั้งหาเกิดไม่ได้ปรุงแต่งไปตามอำนาจของสังขารสังขารภายในจิตนั้นคือสังขารที่เป็น เรื่องของตัณหาเนี่ยตัณหามันเคลือบแฝงมากับจิตของเราจิตคือถ้ารู้คือผู้รู้ถ้ารู้หนึ่งเดียวที่ชำระได้คือถ้ารู้ของพระอริยเจ้าถ้ารู้ของพระพุทธเจ้าสามารถชะล้างตัณหาออกหมดจดจากจิตพระจิตเหลือแต่พระจิตที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้ามีพระจิตที่บริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวไม่เกี่ยวข้องกับตัณหาเพราะศึกษา เอาตักปะทำแผดเผาตัณหาในหัวใจจนเหือดไปจนแห้งไปแล้วก็สลายตัวไปตัณหานั้นเป็นสั จ, จธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนนะมีอยู่ในใจของเราเราดูไปที่ทุกขเราดูไปที่สมุททยเราดูไปที่นิโรธเราดูไปที่มรรที่ท่านสอนถึงหลักของอริยสัจส์4การพิจารณาสภาพร่างกายนะั้นคือกำหนดจดจ่อดูทุกนะเวลาตัณหามันเกิดมันเกิดที่จิตนะ ตัณหาคือสมุ ท, ทยัยสมุทัยจะเกิดจะเกิดที่จิตพอเราพิจารณาจนทําลายความอยากความอยากเรานิสลายไปหมดแล้วหายไปเลยตัณหาเหล่านั้นหายไปเลยไม่มีตัวไม่มีตนเพราะมันเป็นสภาพที่มีแต่กิริยาอาการที่อยู่ในหัวใจของเราเราย้อนมาดูเราเห็นกิริยาอาการของมันย้อนมาดูเห็นกิริยาอาการของมันและจิตของมันจิตของเราทําไมมันถึงมีตัณหา ก็มันมีตัณหาเพราะมันเกิดมาแล้วมันเป็นวัตถุดิบที่เราไม่เคยฝึกเคยซ้อมเราจะต้องมาฝึกมาซักมาฟอกชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าลครั้งแล้วครั้งเล่าทําอยู่นี้ฝึกอยู่นี้บางคนก็สะสมมาม่รู้กี่กับกี่การกี่ชาติอยู่แล้วก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านถูกบัดมาในกับนี้พระกัุสันโธกนคโนพระกัสปูรวมมาถึงพระโคโตโมเนี่ยเห็นไหมอายุการร่วมไปเท่าไหร่แล้ว แล้วพวกเราไปอยู่ที่ไหนเราคงจะเคยเกิดมารู้ทันพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็เปลี่ยนได้แต่ด้วยเหตุที่เรามีบุญญาบารมีเราจึงได้เกิดได้เกิดได้ประสบพบเห็นได้เห็นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ให้ให้มีโอกาสมาฝึกฝนมาอบรมให้เรามีความรู้มีความเข้าใจเพิ่มเติม น, นี่เราพูดถึงภายในหัวใจของเรามีกิเลสตัณหาเคลือบแฝงมาด้วยกับผู้รู้ของเรา การพิจารณาเพื่อทำลายตัณหาเราสามารถย้อนมาเห็นตัณหาในจิตของเราเห็นในปัจจุบันก็ดับในปัจจุบันในขณะที่สติของเรายืนรองโโร่อยู่ตัณหาไม่โผล่ตัณหาไม่กล้าโผล่พอตัณหามันโผล่ขึ้นมาปั๊บรู้ทันก็ดับตัณหาโผล่ขึ้นมาปั๊บรู้ทันแล้วก็ดับบางทีมันล่วงไปหนึ่งขณะสองขณะสิบขณะเนี่ยเรารู้เท่าทันเข้าไปเรื่อยๆหนึ่งขณะเหลือหนึ่งขณะเหลือ กำหนดจดจรโรออยู่ความอยากไม่กล้าโผล่เข้ามาอันนี้เป็นตะปะทำแผลเผาเข้าไปที่หัวใจของเราจนจิตของเราเน่ยสลายสิ่งเหล่านี้หมดไปจากหัวใจของเราเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ท่านไม่เรียกสังขารในพระไตรปิฎกของพระองค์ท่านไม่เรียกสังขารท่านเรียกว่าวิสังขารเป็นอื่นไปจากสังขารเป็นสภาพที่เป็นเดียวเป็นหนึ่งเดียวนอกจากพระจิตของพระอรหรันต จิตของพระอรหันต์แล้วไม่มีสิ่งใดที่จะไม่เรียกสังขารไม่มีเป็นสังขารทั้งนั้นเลยจะเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟจะเป็นเหล็กเป็นหลาเป็นเหล็กกล้าจะเป็นสัตนเลสจะเป็นอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นจะคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทั้งนั้นแต่หากจะอายุยาวอายุสั้นที่จะค่อยๆเปลี่ยนไปเท่านั้นเองค่อยๆเปลี่ยนไปเท่านั้นเอง แม้แต่แก้วแววนเงินทองอะไรจะอยู่รอบข้างตัวเราพอการล่วงไปเท่านั้นล้านปีเท่านั้นล้านปีมันก็จะกลับตัวขึ้นมนเองมันจะเปลี่ยนตัวเข้ามาเองไม่เคยอยู่คงที่แต่เราไม่ต้องดูหรอกการนั้นดูยากเราดูมาที่กายของเราร่างกายของเราเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยเราเกิดในท้องแม่เราไม่เคยอยู่เท่าเดิมเห็นไหมโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมเรื่อย7เดือนแปดเดือนเราก็ออกมาสังขารก่อนนั้นไม่เคยอยู่เท่าเดิมการไม่อยู่เท่าเดิมของสังขารนั่นแหละ มันเป็นความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขังทุกขังทุกขังอันนี้เป็นทุกขังในหลักของอริยสัจ4ี่คือสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทศเรียกว่าทุกขังแต่พวกเรานั้นรู้จักแต่ทุกขังทุกเจ็บทุกปวดคือทุกขเวทนาเท่านั้นแต่การเห็นทุกขในลักษณะของไตรลักษณ์นั้นคือเห็นความไม่คงทนของมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปด้วยเหตุด้วยเหตุที่เปลี่ยนไปนั้นจึงเป็นอันนี้จักอันนี้จัก ทุกขังเปนเป็นอนิจจังจากทุกขังเปลี่ยนเป็นอนิจจังจากอนิจจังเปลี่ยนเป็นทุกขงังทั้งอนิจจังทั้งทุกขังนั้นนะเป็นกระแสะของกระแสะของสังขารเป็นกระแสะของธรรมชาติสังขารทุกๆสังขารย่อมมีกระแสะไหลไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นกระแสะเหล่านี้ถ้าใครเข้ามารู้เข้ามาเห็นแล้วจิตยอมรับเต็มร้อย คนนั้นได้ถึงกระแษธรรมได้เป็นผระโสดาบันจิตยอมรับโอ้สภาพของรูปธรรมของเราเป็นอย่างนี้สภาพของนามธรรมของเราเป็นอยู่อย่างนี้จิตยอมรับเข้าถึงอนิจจังทุกขงัง เ, เหมือนอย่างพระอญญากณทัญยะท่านฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำหนดจดจ่อตามไปด้วยท่านก็แสดงทําไปด้วยจิตของพระอัญญากณทัญญะก็พยายามยอนตามกระแสธรรมของพระพุทธเจ้า ย่อนไปย่อนไปย่อนไปจิตของท่านเข้าถึงกระแสธรรมยังมิจิสมุนยะธรรมังสัมบัญตะนิโรธธรรมังอตอนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาพระัญญาโคนัญญะได้วงตาเห็นธรรม ด, ด้วยกิริยาอาการที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก็คือเห็นอนิจจังเห็นทุกขังนั่นเองเห็นทุกขังแล้วก็เห็นอนิจจัง แต่ยังไม่เห็นอนัตตายังไม่เห็นอนัตตาธรรมะจะค่อยๆขยับขึ้นไปละเอียดขึ้นเรื่อยโดยลำดับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดแล้วพระองค์จึงทรงสแสดงอนัตตลกนณสูตรเพราะอนัตตนั้นเป็นการสแสดงถึงที่สุดของไตร ล, ลักษณ์โดยเหตุที่พวกเราอยากกำหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองว่าสังขารเราต้องคงที่ ไม่ไม่ให้เปลี่ยนไปบังคับให้คงที่ก็บังคับไม่ได้บังคับไม่ให้เปลี่ยนไปก็บังคับไม่ได้ไม่คงที่กับเปลี่ยนไปจะว่าอันเดียวกันก็ใช่จะว่าต่างกันก็ใช่ทั้งอันนี้จังทั้งทุกขังใครเห็นอันนี้ใครเห็นทุกขังยังไงอันนี้จังกันยังไงอันนี้จังยังไงทุกขังก็อย่างนั้นไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นไปได้ด้วยเหตุที่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไม่ได้พระพุทธเจ้าสั้นจริงทรงตรัสรู้อนัตตา อนัตตาบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายเขาต้องการให้เป็นอัตตาเขาอยากให้เที่ยงเขาอยากให้คงทนแต่พระพุทธเจ้าท่านดูแล้วว่าโอ้มันเที่ยงไม่ไลยมันคงทนไม่ได้เอาใจคือผู้รู้รูรของเราไปกระไปเกณฑ์ให้สิ่งนั้นให้เปลี่ยนไ ป, ไปตามใจหวังของตัวเองไม่ได้แม้สักอย่างเดียวรูปธรรมก็กําหนดกฎเกณฑ์ให้เปลี่ยนไปตามใจหวังไม่ได้นามธรรมก็กำหนดกฎเกณฑ์ให้เปลี่ยนไปตามใจหวังไม่ได้โดยเหตุที่กําหนดให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้ ก็เลยพิจารณาปลงปล่อยพิจารณาปลงแล้วก็ปล่อยปล่อยตามภาวะที่มันมีมันเป็นยอมรับว่ามันมียังไงก็ยอมรับอย่างนั้นมันเป็นยังไงก็ยอมรับอยู่อย่างนั้นพระองค์จึงเข้าถึงความอนัตตาโอ้อนัตตาอนิจจังทุกขรังอนัตตาแต่พราหมณ์เขายึดถือว่าเป็นอัตตาเป็นอัตตาเขาต้องการให้มีผู้เสวยสุขมีผู้เสพสุขเพราะฉะนั้นเขาจึงบูชาอัตตาอัตตาอัตตมันอั ต, ตมัน คือศาสนาพราหมณ์ก็ s. <S ถือว่าเป็นพระอาหานตของเขาแล้วนะ่ะ mm. เป็นนิพพาน ข, ของเขา mm. อัตตมันอัตตมันไปเกิดอยู่กับพระพรหม mm. เป็นประมาทตมันแต่พระพุทธเจ้าทรงทําลายขั้นตอนตัวนี้หมดทั้งอณิตย์อย่างทั้งทุกขงังใครไม่สามารถจะไปดัดแปลงเปลีปล่ยนแปลงไปได้สิ่งเหล่านี้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้เสยอย่างอะไรเกิดก็รู้อะไรเกิดก็รู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยยึดไม่ได้รู้แล้วก็ปล่อยยึดไม่ได้แม้แต่ความรู้ของตัวเอง ก็ยังยึดมาไหนต้องปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปลอยทั้งหมดทุกก็ปล่อยสมุทัยก็ปล่อยนิโรธก็ปล่อยอะไรเกิดขึ้นปล่อยอะไรเกิดขึ้นปล่อยยึดได้อย่างเดียวมัดอริยสัจสังขีเรายึดได้อย่างเดียวคือมัดอย่างอื่นยึดไม่ได้เสยอย่างแม้แต่ผลรายได้จากการที่เราตั้งใจศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตราบใดที่ยัง ยังกำเริบอยู่เรายังยึดไม่ได้พอเรายึดสักหน่อยเดี๋ยวก็เสื่อมไปแล้วยึดสมาธิยึดยึดสนอยเดี๋ยวเสื่อมแล้วยึดปัญญามีรู้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้ยึดไปยึดมาอ้าวเดี๋ยวเสื่อมแล้วยึดไม่ได้สักอย่างท่านจึงให้ปล่อยพอเราปล่อยพอเราปล่อยคุณสมบัตินั้นเพิ่มขึ้นเหมือนอย่างพุทธเจ้าท่านทรงปล่อยว่ายึดอะไรไม่ได้สักอย่างปล่อยแบมือหมดพระองค์สามารถเข้าถึงประมังสุขขังอ่า ประจิตดวงนั้นบริสุทธิ์หมดจดจากกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นวิสังขารมีหนึ่งเดียวเป็นสภาพหนึ่งเดียวไม่มีอายุไม่มีที่อยู่ไม่มีที่จํากัดไม่มีเวลาจํากัดดำรงตนอยู่อย่างนั้นเป็นอนันตการอนันตการแปลว่าไม่มีจํากัดแต่นิพพานของพระมีม มีสถานที่เยียมกัิสถานที่คืออะไรคือพระพรหมคือโลกของพระพรหมพระพรหมพระพรหมมีอายุมากน้อยเท่าไรก็ตามแปดหมันกัปแป่นสี่พันกัปเยาว่าแต่ 84% ดหมพันกัปเลย แ, ยแสนมหากัปสี่อาสงขัยแสนมหากัปพระพุทธเจ้าอยู่บางเพนจนครบจนได้ตรัสรู้8อสงขัยแสนมหากัปพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์ที่ท่านบรรลุเนี่ยสร้างบารมีมากน้อยไม่เท่ากันท่านอยู่จนได้บรรลุ จากนั้นสิอสศงไขแสนมหากับแสนมหากับนะไม่ใช่แปดหม่นพันกับแสนมหากับแล้วก็16อสงไขยอยีกตั้งหากนานขนาดไหนนะ่ยอยู่จนได้เข้าถึงได้ตัสรู้ในความเนื่อง น, นานทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเนะี่ยมันกหมดไปได้มีอายุมากไหมเท่าไร่ก็ตามหมดไปได้ขึ้นชื่อว่ามีสถานที่จํากัดก็ต้องมีเวลาจํากัดแต่พระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงไม่มี ไม่มีตันหาไม่มีอุปาทานและไม่มีภพคือที่เกิดไม่มีชาติที่จะต้องไปเกิดเพราะฉะนั้นความทุกข์โศกทุกขเทวะทมนะโสภายาจจะมาจากไหนไม่มีความทุกข์มรกราบเราในหัวใจอันนี้คือความเป็นไปของจิตของเราที่เราควรจะเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดความรอบรู้เพื่อจิตของเรามีปัญญา ปัญญาทั้งนี้ใช้ได้ทั้งดีทั้งทางคดีโลกใช้ได้ทั้งทางคดีธรรมทางคดีโลกใครสามารถมาทำให้จิตได้รับความสงบคนนั้นมีปัญญาดีธรรมะกินดีมองเห็นอะไรทะลุปลุกปลอไปหมดเพราะในจิต ด, ดวงนั้นเป็นสลิกเป็นมงคลแล้วก็ยิ่งรู้ความเป็นไปของกิเลสของตัณหาด้วยแล้วก็จะทาให้เรารู้จักระแวดระวังไม่ใช้ในสิ่งที่เกิดโทษอ่า ไม่บําเพนในสิ่งที่เกิดโทษไม่สแสวงหาในสิ่งที่เกิดโทษรู้ว่าอะไรเป็นคุณรู้ว่าอะไรควรสะควรสแสวงหาและก็ตั้งอกตั้งใจบังเพนเพราะฉะนั้นโอกาสเช่นนี้เป็นโอกาสที่พวกเราได้ยู่ใน้ฟังเสียงอา่านเสียงธรรมเนื่องจากวันนี้เป็นวันฉลองกระถิน่นพรุ่งนี้มีการทอดกรถินแล้วก็ ครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนทั้งกไม่ลืมที่จะคิดถึงบุญถึงคุณของอาจารย์อาจารย์ชนะอาจารย์ชนะแล้วก็มีการทักสินานประทานเท่าที่เคยเห็นมาทุกปีทำอย่างนั้นแหละเพื่อเป็นการไม่ลืมบุญไม่ลืมคุณทั้งหมดเหล่านี้เป็นบุญากิริยาทั้งนั้น แม้แต่กรถินซึ่งเป็นทานแต่มันก็เป็นทานพิเศษนะกระถินเนี่ยเป็นทานพิเศษที่พุทธิยถาท่านทรงให้มีเดือนท้ายฤดูฝนแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือน11ิบเอ็ดไปถึงกลางเดือน12เป็นกรถินหน้านี้เป็นหน้ากรถินเป็นหน้าผ้าปล า, าเมื่อเช้าเราก็าไปร่วมทอดผ้าปาโน้ที่ประคำเนี่ยแท้ที่จริงเขาก็อยากทอดกรถินแต่ว่าด้วยเหตุที่พระสงฆ์ไม่ครบมีแค่สามองค์ ไม่ครบห้าองค์หลวงตาท่านาพาถือพาถือพาปฏิบัติถ้าพระไม่ครบห้าองค์มีคนไปจองกรถินท่านไม่ให้รับเพราะพระเราไม่ครบห้าองค์แต่ถ้าพระเราครบห้าองค์ในรรษานั้นนั้นมีคนจองกรถิน่นท่านให้รับหลังจากรับกรถิ่นแล้วออกรรษาปั๊บมีคนเร่งด่วนจะศึกไปที่อื่นก่อนสององค์เนี้ย ก็าสามารถหาองค์อื่นไปแทนให้ครบสงได้เนื่องจากว่าตอนที่เรารับนั้นครบสงเ พ, เพราะฉะนั้นที่นู่นจึงไม่เป็นกระถินเป็นผราป่าเมื่อเช้าก็มีการทอดพระป่าที่นู่นพวกเราอยู่ครบองคสงเราก็มีการทอดกระถินตรงนี้เป็นกรถินสามคัคคีอันนี้เป็นขนมเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีที่ดีที่งามที่เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธบริษัททั้งหลายทําบุญในเทศกาลกรถิน จากนั้นแล้วพวกเราก็ได้สละจัตุปัจจัยมาพระเจ้าพระสงค์ท่านอยู่ดูแลวัดวารามมีสิ่งที่จะต้องดูแลซ่อมแซมปลูกสร้างสารพัดปจัจจัยสี่มีความเกี่ยวข้องจำเป็นพวกเราก็รวมกันมาทอดมีภากถินด้วยมีจัตุปัจจัยอย่างอื่นด้วยทั้งหมดนี้เป็นกากบุญสำหรับบุญที่แ ท, ท้จริงนั้นหัวใจของเราดูซึมซับ อยู่ในหัวใจของเราของท่านหมดแล้วใครเสียสละมากน้อยเท่าไหร่ด้วยเรี่ยวแรงด้วยสติด้วยปัญญาด้วยหลักทรัพย์ จ, จัตุปัจจัยก็เป็นสมบัติของคนคนนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ตะล่มมาตั้งใจรักษาศีลก็ตะล่อมมาตั้งใจภาวนาก็ตะล่มมาตั้งใจพิจารณ์เกิดความรอบรู้ทางด้านปัญญาก็ตะล่มมาเพื่อความเป็นสริริเป็นมงคลในหัวใจของเราให้เรามีคุณสมบัติในหัวใจของเรา เราก็จะเป็นคนดิบคนดีมีศิ่มีธรรมมีความสุขมีความเจริญเป็นผู้มีบุญตายแล้วตายแล้วเราก็มีความสุขมีความเจริญถ้าหากเราตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาเห็นโทษเห็นไปจริงจังเราก็พยายามถีบตัวไปให้พ้นในอนัตภาพนี้เป็นยอดของสิริยอดของมงคลของพบของชาติของเราทั้งหมดนี้ยอ่อมมีมีผลมีอนิสง์ ขอผลอันยิ่งสงทั้งหลายเหล่านี้ตามมาอวยชัยให้พรพวกเราทั้งหลายให้ประสบความสุขความเจริญตั้งอกตั้งใจภาวนาแสวงหาอัหาธรรมขอให้ได้อักได้ธรรมโดยทั่หนากันเอวังโอ้ยหลับตาพูดเออ แป๊บเดียวชั่วโมงสิบนาทาีว่าอะไรบ้างก็ไม่รู้เ อ, อ้าให้พอ น, น, น อ, อามาม า, า, ามาม า, า, ามาเสียด รู้เรื่องอะไรบ้างนั่งสับ ป, ประงกเลยฮะมีพูดเทศใดมันไม่สับ ป, ประงกสับ ป, ประงกไม่ได้ไม่มีอะไรพูดให้ฟังอ่ะออาอ้าเอา่เอาอาืมอืม ใอ้พอรที่นี่ให้พรรับพรนะรับข้างล่างบอรับข้างบนอยู่เนาะไว้กันเทศให้พรคน อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวัสมิชาตะุสะเพปูเรนตุสังกปาจันโปนระสโสยะธามนิชโชธิรสโยสยถธาศพีติโยวิวัชชนตุสปโรโควินัสตุคมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลสนิจงวุธาปจายโนจตาโรธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังพระลัง เจ็ดแล้วงนแทนฮ่าฮาฮา